พอความในพระสุตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมูลปนาตมหาหัตถิปโทรปรมสูตรเมื่อวานนั้นเป็นสูตรเล็กนี่มาขึ้นสูตรใหญ่มหาหัตถิปโทรปรมสูตรก็คือพระสูตรที่เปรียบอุปมาประดุดรอยเท้าช้างแต่เป็นสูตรใหญ่สูตรก่อนนั้นชื่อว่าเป็นสูตรเล็กข้อ340หน้า516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 กุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดย่อมสงเคราะห์เข้าในอริยสัจสี่ฉะนั้นเหมือนกันแหลนะกุศลธรรมทุกชนิดเนี่ยไม่เกินไม่เกินอริยสัจ4ีรอกเหมือนกันกุศลธรรมทุกอย่างก็ประมวลประชุมลงในอริยสัจสี่นั่นแหละเพราะอริยสัจนี่เป็นสิ่งที่ใหญ่แล้วก็กว้างขวางเพราะฉะนั้นกุศลธรรมทุกอย่างยังไงก็ต้องรวมอยู่ลงในอริยสัจสี่หรือกุศลธรรมทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนก็สอนเพื่อให้รู้ อริยสัตตินั่นแหละอริยสัตติเหล่าไหนคือทุกขอริยสัตต์ทุกขสมุทัยอริยสัตต์ทุกขนิโรธอริยสัตต์ทุกขนิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัตต์เนี่ยนะมันทำทั้งหลายที่เป็นอริยสัตต์เนี่ยนะเป็นทั้งกุศลอกุศลและอัพยากตะอริยสัตต์เนี่ยนะเป็นทั้งกุศลอกุศลและ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 แม้ความตายก็เป็นทุกข์ แ, แ Benedict, มแ enfin ้ความโศกก็เป well ็นทุกข์นี่นะแม้ความรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์แม้ไม่ได้สิ่งที่ตนอยากได้หรือไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาก็เป็นทุกข์บางนัยยะก็เพิ่มอีกคาหนึ่งเพิ่มอีกสองคำว่าประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็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 เรียกว่ายอ่อทุกมันยอ่อไม่ได้หรอกถ้ายอ่อทุกลงได้ก็ทําลายไม่ยากใช่ไหมแต่ยอ่อโดยการแสดงอะย่อไม่ยากจริงๆแล้วยอ่อลงมากองทุกทั้งมวลเหล่านั้นก็คืออะไรคืออุปาทานขันห้าสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนี่แหละคือตัวทุกนี่นะอุปาทานขันเนี่ยแปลว่าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสิ่งใดที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสิ่งนั้นแหละคือตัวทุกแหละก็ อ, อุปาทานอคัน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 อุปาทานขันก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่เพาะขึ้นมาเห็นไหทีนี้พออุปอต้นไม้คืออุปาทานขันห้าเจริญขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก็ผลิดดอกออกผลเป็นเมล็ดใหม่เมล็ดอันนั้นก็คืออุปท า, านเพราะฉันอุปาทานขันเนี่ยแปลว่าเป็นผลผลิตของอุปาทานขณะเดียวกันก็เป็นที่ผลิต ด, ดอกออกผลของอุปาทานอุปาทานก็เพาะเม็ดใหม่แล้วก็ไปปลูกลงไปอีกเพราะฉะนั้น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 อุปาทานเป็นเช่นกับเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกขึ้นมาเนี่ยนะมันการเกิดขึ้นของอุปาทานอันอันประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นชาติชารามรณะโสกปริเทวทุกโทมณตและอุปาญาตเนี่ยนะอคันอันนี้แหล ะ, นนะผลิต ด, ดอกออกผลมาเป็นออกมาเป็นเพาะพันธุ์เมล็ดเป็นอุปาทานเพราะอุป า, า, ปาทานก็ไปเพาะอีกเป็นเพาะมาเป็นอุปาทานอันอุปาทานอันอีกก็ออกออกดอกออกผลมาเป็น อุปาทานก็วนอยู่อย่างนี้แล้วจบที่ไหนเมื่อไรอย่างไรบอกว่าสายสัมพันธ์แห่งวัตตะก็เป็นไปอย่างนี้แหลเนี่ยนะเพราะนั้นจึงเรียกว่าหาเบื้องต้นไม่พบว่ามาตั้งแต่เมื่อไรมันเบื้องต้นแห่งตันหาคืออุปาทานเนี่ยนะเบื้องต้นแห่งตันหาอุปาทานนั้นจึงหาไม่พบว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไรที่บุคคลตามรู้ไม่ได้ว่ามีตั้งแต่สมัยพระชาพระราชาองค์นู้น จักรพรรดิองนี้หรือมีมาตั้งแต่ต้นกลับเป็นต้นน่นนะพูดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะสายสัมพันธ์สืบต่อมาแห่งวตะนั้นอันบุคคลตามรู้ไม่ได้เขาเรียกว่าอนามะตะคะเนี่ยนะตามรู้ไม่ได้เราก็มันตั้งงั้นเมื่อไร่ <c oughs> เพราะฉะนั้นจนกว่าเนี่ยนะอย่างพระพูดเป็นขันห้าทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ <c oughs> การที่เรามีตามองเห็นเนี่ยตาที่เรามองเห็นเนี่ยมันเป็นผลผลิตของอะไรก็เป็นผลผลิตของอุปาทาน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 ไม่มีจบมีสิ้นบางคนคนเขาทั้งหลายเข้าใจว่าเวียนว่าวตายเกิดไปเรื่อยๆแล้วมันบรรลุเองเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนนั้จะดีจะชั่วจะเลวจะเป็นปราดบัณฑิตเป็นยาจกวันนี้พกพระเนจรจะโง่เขลาเบาปัญญาปัญญานิ่มปัญญาอ่อนจนถึงปัญญาสูงสุดโง่ฉลาดงามไม่งามสะอาดสกปรกแค่ไหนอย่างไรก็ช่างเถอะในที่สุดมันนิพพานเหมือนกันหมดใช่ไหม บอกไม่หรอกสายสัมพันธ์แห่งวัตตาเนี่ยแมย้มันเหนียวแน่นขนาดนี้มันยากว่า ง, งั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไม่มีปัญญาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะถ้าไม่มีสัมมาทิฐิไม่มีสัมมาสังกัปปะไม่มีอริยมรรคเนี่ยออกจากกองทุกขออกจากทุกทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ท่านเรียกว่านิยานิกระทำเป็นธรรมที่นําออกจากทุกถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8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 ดอกเศร้าดอกเสียใจเนี่ยนะดอกไม่สบายกายดอกไม่สบายใจดอกขับแค้นใจเนี่ยนะนะเขาบอกว่าถ้าไม่เจริญอารยมรรคอยาคิดนะว่าจะเลิกบ่นรำพันก็คือพร่ำบ่นนั่นแหละบ่นบ่นอยู่นั่นแหละบอกว่าถ้าไม่มีอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เลิกยากที่จะเลิกพร่ำบ่นถ้าไม่เจริญอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อยาคิดนะว่าจะไม่อ่าจะมีความสุขทางร่างกายเพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นที่ตั้งแห่ง ทุกข์ถ้าไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แยากที่จะพ้นจากความทุกข์คือความทุกข์กายและความเสียใจถ้าไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แยากที่จะพ้นจากความเสียใจบางคนที่ลำบากใจหงุดหงิดใจบ่อยๆถ้าไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อยากคิดเลยว่าจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้อันความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศก อ่ะ น, นะพี่ไร้รำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ว่าย่อลงมาก็คือขันห้าหรือตาหูจมูกลิ่นกายใจนั่นแหละคือตัวทุกข์เมื่อสิ่งเหล่านี้คือตัวทุกข์เนี่ยนะทุกข์เหล่านี้อยู่อแล้วเหตุของมันนะ่ะก็อุปาทานที่ยึดถือสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นตัวสร้างทุกข์ขึ้นมาอริยมรรคแนะ่ยนำออกจากทุกข์เหล่านี้ถ้าอริยมรรคไม่ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์คือพระนิพพานก็พ้นไปจากทุกข์ไม่ได้เนี่ยนะ นี้แล้วในบรรดาอริยสัจนสะี่ใช่ขึ้นต้นพร ะ, พร ะ, พร ะ, พระสารีบุตรแสดงว่ากุศลธรรมทั้งหมดประชุมลงที่อริยสัจสีอริยสัจสีมีอะไรบ้างทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกค า, า, า, า, าริยสัจคืออะไรคืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้ามีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วรูปประขันคืออะไรก็เอาแต่หัวข้อข้อแรกเนี่ย น, นะมากล่าว รูปอุปาทานขันคือรูปหรือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือรูปประกอบไปด้วยมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4แต่ทั่วๆไปนี่จะยกมหาภูตรูปและกล่าวถึงรูปที่อาศัยมหาภูตรูป4ี่เพราะมหาภูตรูปแต่ละอย่างไม่ใช่มีอุปาทายรูปครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะครับจะแสดงแบบ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 หาที่ฟันหาที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกหาที่ตาเนี่ยมันก็ไม่ได้24รูปหาที่หูมันก็ไม่ได้24รูปหาที่จมูกมหาที่ลิ้นหาตรงไหนมันก็ไม่ได้ครบ24รูปถ้าพูดเหมารวมรว ม, รวมกันได้แต่ละคนก็ได้ยี่17รูปมันได้27รูปเท่านั้นแหละแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็อวัยวะแต่ละจุดแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็ไม่ไม่เหมือนกันพอเมื่อมันไม่เหมือนกันเช่นนี้แล้วก็แสดงตาม